จะให้มันหลุดพ้นจริงๆเนี่ยล้ก็ต้องยอมปล่อยจิตสิ่งที่ลูกตั้งเอาไว้ในใจทั้งหมดนะแล้วก็ยอมนะที่จะปล่อยยอมที่จะวางในส่วนที่ตั้งนั่นแหละเรียว่าจะตั้งนิดตั้งหน่อยอะไรลูกก็ไม่ต้อง แล้วมันจะผ่องแผ้วจริงๆขึ้นมาจะวีโมกจริงๆขึ้นมาลูกจะวีมุดจริงๆขึ้นมาเรียก ว, ว่าความปรารถนาประจำขันความหวังหรือการคาดหวังใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเรียก ว, ว่าเงื่อนปมแห่งตัณหาในภายในเนี่ยก็อย่าให้มีเรียก ว, ว่าไม่ต้องผูกพันแม้แต่ปัจจุบันและนั่นแหละลูกทั้งหมดของวินัยอริยะขึ้นมาทันที ความหลุดพ้นในตัวมันเองด้วยเรียกว่าต้นขั้วเลยที่จิตนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นวัวหลงตกแต่งพฤติกรรมภายนอกทั้งหลายซึ่งเป็นปลายเหตุแล้วก็เป็นผลพวงมาจากตัณหาครอบงำจิตแล้วก็ตรงตรงเลยไม่ต้องซ้อนจิงจ้องต้องตั้งเพราะมันจะกลายเป็นของหนักเรียกว่า ในขณะตั้งในขณะต้องก็คือในขณะหนึ่งของเจตนานั้นน่ะดวย ก, กรรมนั่นเองก็จะกลายเป็นของหนักทับนามธาตุทันทีของหนักที่ซ้อนจิตทันทีดังนั้นจริงไม่แปลกแล้วที่จิตนี้มันจะรู้สึกหนักรู้สึกอึดอัดรู้สึกขัดเคืองอยู่เนืองเนืองหรือว่ารู้สึกกระวนกรวายกระสับกระสายดิ้นรนอยู่ เสมอเสมอไม่แปลกหรอกอันั่นน่ะก็เพราะว่าลูกคอยตั้งบ่อยคอยต้องบ่อยการหลงคอยต้องคอยตั้งซ้อนจิตซ้อนรู้ซ้อนเห็นซ้อนนึกซ้อนคิดเนี่ยมันบ่อยเหลือเกินมันก็เลยเข้าไปกดดันในสภาพของจิตของนามธาตุนามธรรมนี้ เกิดการหนักเกิดการตึงในตัวเขาเองเกิดการแน่นในตัวเขาเองแล้วก็กระวนกระวายทั้งหลายละซ้ำระสายกระสับกระสายซึ่งเหล่านั้นก็เป็นปลายเหตุทั้งหมดลูกเพียงแค่ยุติไอตัวหลงต้องหลงตั้งของลูกนั่นแหละไม่ต้องไม่ตั้งอยู่แล้วนี่ลูกไอ้ที่หนักๆก็จะเบาลงทันที ที่กดดันในจิตลึงลันก็อยู่ในจิตกระวนก歪ละสัมละสายในภายในมันก็จะค่อยๆลดลงทันทีอย่างฉับพันแต่นั้นจะให้มันวางในตัวมันเองจริงๆเนี่ยลูกหรือหลุดโดยตัวมันเองจริงๆเนี่ยจะตั้งนิดตั้งหน่อยอะไรก็ไม่ได้เลยเรียกว่าฉับพันเลยพอตั้งแล้วแบกทันทีแบกเจตนากรรมทันที เรกว่าที่มันวางๆกันโดยตัวมันเองอยู่แล้วก็เกิดแบกขึ้นมาทันทีแม้แต่ความปรารถนาการคาดหวังในมรรคผลหรือความเจริญซึ่งมรรคผลนิพพานก็อย่าให้มีมันเป็นของหลอกตอหลอกให้มันโมฆะในนิพพานปัจจุบันมุ่งสู่นิพพานในอนาคตนะคิดดูแลสังขารไปแล้วก็ยังไม่จบยังไปเป็น วิบากในภูมินั้นชั้นนี้ก็ยังตั้งความปารธนาะต่อวนเวียนอยู่ในสามสิบเอดพอดภูมิไม่รู้จบจบเส้นนะ่ะวนกันไปวนกันมาเพราะไม่หยุดซึ่งความปารธนาะไม่หยุดซึ่งไอ้ตัวตั้งไปหรือมุ่งไปหรือการคาดหวังไปเนะี่ยไม่หยุดซึ่งสิ่งนี้ก็เรียกว่าสมูทยัยเหตุแห่งทุกข์เหตุทั้งหมดเลยของวัตตะทั้งหลายเหตุทั้งหมดของความที่วกวนไปข้างหน้าเรื่อยเนะี่ย ตัวความหวังตัวความปรารถนาได้เพื่อเพื่อเพื่อทุกอย่างนั่นแหละมันทําให้ปัจจุบันของลูกมันเป็นโมฆะต่อวิมุติในปัจจุบันกลายเป็นปัจจุบันที่โมฆะต่อ น, นิพพานอยู่แล้วเหมือนกับว่าแทนที่มันจะวางปัจจุบันแต่มันนั่นหอบผิวตัวมันเองไปวางในนาคตนู่นนะ่ะแล้วก็คิดดูที่ว่าตัณหามันหลอกขนาดไหน แต่นั้นจะให้มันตรงจริงๆในปัจจุบันเลยเรียกว่าสำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันฉับพันนี้โดยการที่มันวางอยู่แล้วว่างอยู่แล้วโดยวมุิอยู่แล้วเนี่ยทั้งหมดของจิตนี้ลูกก็ให้ยอมที่จะปล่อยไม่ดึงดันจะไปหลงต้องหลงตั้งขึ้นในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ไม่ทั้งหมดปล่อย ก็เรียกว่าโดยที่ไม่ต้องไม่ตั้งอยู่แล้วหรือโดยที่ไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วตรงตรงไม่ต้องไปหลงคอยเริ่มคอยจบชนิดใ ห, ใหม่ขึ้นมาให้เป็นตัญหาวกวนไม่ต้องไปคอยหลงเจริญอะไรขึ้นมาซ้ำซ้อนธาตุขันให้เป็นกรรมซ้อนธาตุกรรมซ้อนขันล่วมกรรมซ้อนรมให้จบกันตรงตรง ไม่ต้องอิงอายุไม่ต้องอิงอารียบทจบกันตรงๆรแบบไม่ต้องเลือกในท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนหรือจะอยู่คุยอยาเคลื่อนไหวอยู่ก็ตามทีไม่เกี่ยวไม่ต้องอิงอารียบทชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องเอาอารีบทมาเป็นเงื่อนไขในการบรรลุหรือในการวางว่าจะต้องนั่งวางหรือนอนวางหรือว่ายืนวางหรือว่าเดินวาง อย่าเอาอริบทมาเป็นเงื่อนไขถ้ามัอย่างนั้นจะพลาดจากความฉับพันทันทีจะกลายเป็นย่นเยอะอแทนเพราะมัวแต่ลีรามัวแต่ตั้งท่ามัวแต่มีข้อแม้มัวแต่เอาอริบทมาเป็นเงื่อนไขในสัจธรรมมันจะย่นเยอะอทันที แต่นั้นจะให้มันฉับพันตรงตรงเลยลูกก็ไม่ต้องไม่ตั้งอยู่แล้วเลยจิไม่ต้องไปหลงคอยติดคอยหลุดแบบไหนซ้ำซ้อนลงไปอีกให้เป็นตัญหามันก็จะ ค, อคอ่อยๆตรงต่อการวางอยู่แล้วของมันเองทันทีลืมตาไม่เกี่ยวหลับตาก็ไม่เกี่ยว อย่าไปเอาตรงที่ลืมตาหลับตามาเป็นเงื่อนไขเด็ดขาดนั่นแหละเขาเรียกว่ามันตั้งท่าแต่หลงจัดแจงแต่งท่าทางนั่นแหละเขาเรียกว่ามันยังเป็นปริโพธทในเรื่องของอริบทอยู่ไปติดอริบทไปติดอัปปะเกียาแห่งกายท่าทั้งหลายแทนที่จะวางที่จิตอันเป็นต้นขั้วและต้นเหตุก็ไปยันไปติดในการต่อแต่งกาย จเจริญท่านั้นท่านี้อยู่มันก็เลยอ้อมไปเรื่อยๆไม่จบสักทีจนปาชนี้ปาฉะนั้นแล้วก็ยังไม่เลิกปาถนายังไม่เลิกเพื่อทุกทีนึงเขเรียกว่ามันหลงไปจัดแจงตบแต่งอรีบททั้งหลายในลักษณะของการเข้าไปเจริญและการเข้าไปบาเพ็ญซึ่ง มันไม่ตรงต่อการวางในตัวมันเองจริงๆเพราะการที่มันจะตรงต่อการวางในตัวมันเองจริงๆเนี่ยรู้ไหมว่ามันไปคอยเริ่มคอยจบอะไรไม่ได้เลยในจิตดวงนี้โดยที่ไม่ได้มาคอยเริ่มคอยจบแบบไหนอย่างไรอยู่แล้วเนี่ยจิตเนี่ย โดยที่ไม่ต้องแบบไหนโดยที่ไม่ต้องอย่างไรในตัวมันเองอยู่แล้วเนี่ยจิตเนี่ยนั่นแหละจบชาพันนิโรธชาพันอย่างนี้มันจะไม่ปัจจุบันมันจะไม่โมฆะโดยนิพพานอยู่แล้วเรียกว่าปัจจุบันเลยลูกสําเร็จประโยชน์ในปัจจุบันเลยดังนั้น เมื่อโดยเนื้อหาที่แท้จริงมันอย่างนี้แล้วก็จะไปมัวปริโพน์ในเรื่องของการตกแต่งพิธีกรรมพิธีรีตองอะไรต่างๆนั่นนะประการอยู่ไม่ได้เพราะนั่นแหละเรียกว่าอวิชชาสังขานมัวจะหลงปรุงหลงแต่งหลงสรรหลงสร้างจะให้มันตรงต่อการวางในตัวมันเองอยู่แล้วจริงๆเรียกว่าวิมุติอยู่แล้ว บรรลุอยู่แล้วจริงๆเนี่ยนิดนึงก็ไม่ได้เลยที่ลูกจะไปคอยต้องคอยตั้งซ้อนจิตไม่ว่ายอมสละในตัวมันเองทั้งหมดจิตนี้ยอมปล่อยเพื่อให้มันได้วางแล้วคลายในตัวมันเองทั้งหมดจิตถ้ามันยังตั้งค้างไม่นิด ในลักษณะที่ทรงจิตทรงรู้อยู่ค้างไว้สักหน่อยก็เป็นของหนักแล้วลูกก็ปล่อยอีกตัวต้องตัวคอยตั้งมันลดลงความหนักทางจิตมันก็ลดลงจะไม่เกาะอยู่แค่สภาวะลักษณะในความรู้สึกเรียกว่าคลายจากส่วนนี้ที่เรียกว่าความรู้สึกทั้งหมดเบาบางทิ้งจากสิ่งนี้ไปเลย เรียกว่าจะสภาวะรู้สภาพจิตธรรมแบบไหนก็ไม่ต้องมุ่งเอาก็ละวางตัวเอาเรียกว่าวางตัณหานั่นเองให้ยอมปล่อยในตัวมันเองแทนยอมผ่อนยอมคลายในตัวของมันเองแทนแทนที่จะมุ่งเอาแล้วลูกก็จะได้สาเร็จประโยชน์ในปัจจุบันฉับพลันทันทีโดวยวางอยู่แล้ว โดยความมา ย, ยึดติดอยู่แล้วหรือที่เรียกว่าวิมุตตนั่นเองซึ่งมันจะไม่มีความหมายใดๆล็อกในตัวมันเองว่าใครวิมุตต์หรือไขรหลุดไขพ้นมันไม่มีความหมายล็อกมันเป็นการวางหมดทุกลักษณะแห่งจิตและนี่แหละคือทั้งหมดที่พากันปรารถนามาเป็นวักเป็นเวนพากันหลงบำเพ็ญมาก็มาแค่นี้เอง มาจบตรงที่ยอมวางตัวมันเองนี่แหละถ้ามันยอมวางตัวมันเองทนตั้งแต่แรกๆ แ, แล้วมันก็ไม่ต้องลำบากเพราการบำเพ็ญแต่ว่ามันไม่มีให้ฟังอย่างนั้นมันมีแต่ได้ยินได้ฟังให้ปฏิบัติให้บำเพ็ญมันก็เลยต้องมุดป่ามุดเขาตามกันไปหัวล้างข้างแตกถลอกปอกเปิดกหมดฝ่าเท้าทั้งหลายเลือดตกยางออก ถ้าเรารู้ว่าทั้งหมดที่ปรารถนากันมาเป็นวักเป็นเวรมาสรุปลงตรงที่วางตัวมันเองแล้วเราก็มันก็จบไปนานแล้วไม่ต้องมามโมโหหลอกตัวเองให้ต้องปฏิบัติอย่างนี้บําเพ็ญอย่างนั้น <c oughs> จนกลายเป็นอัตตาซ้อนธรรมขึ้นมาทำไมยังเรียกว่าอัตตาซ้อนธรรม ผู้อย่างอนัตตาอยู่แล้วแต่ว่าดัานอุปโลกเอาตัวเองเข้าไปเจริญเอาตัวเองเข้าไปดำเนินมันก็เลยกลายเป็นอัตตาซ้อนธรรมขึ้นมาทันทีมันผิดกับตรงนี้แหละมันสวนทางกับสัจธรรมโดยสิ้นเชิงถ้ามันรู้แค่แต่แรกแล้วว่ามันมาจบตรงที่วางตงัวมันเองเนี่ยไม่ต้องคอยต้องคอยตั้งอะไรมันก็คงจะไม่ลาบากมาขนาดนั้น แล้วไม่ก่อเกิดมานะในธรรมด้วยตัวเองรู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองติดตัวเองหลุดไม่ก่อเกิดมานะแบบนี้ในธรรมเพราะมันไม่ต้องมาเริ่มต้นโดยการเอาตัวเองเข้าไปกระทามันเลยไม่มีตัวเองกลายปมาเป็นมานะเป็นเงาตามตัวนี่เขาเรียกว่าวางตัววางตนไงลูกจิตที่มันยอมวางในตัวมันเองนี่เขาเรียกว่าวางตัววางตน แต่นั้นเมื่อกล่าวตรงๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะไปมัวหลงเป็นปริโพน์ย่นแๆกับพิธีรีตรองอยู่ไม่ได้รูปแบบในการปฏิบัติบําเพ็ญทั้งหลายซึ่งมันเป็นของประหลกใหม่ขึ้นทั้งนั้นฟังธรรมะจากองค์พุทธะฟังตรงๆแล้วจบเฉพาะพระพักตร์ตรงๆจบต่อหน้าตรงๆไม่มีฝากโจทย์เอาไว้นอกเสียจากว่าการมไม่บากมันเยอะมันไม่ยอมจบตามท่านตรงๆมันก็ต้องไประลึกถึงคําสอนนั้น กรแท่นั้นแล้วมันก็เบาตามคลายตามแล้วก็จบตามไม่ได้ขวนขวายเอาใหม่ให้ยุ่งไม่ได้ให้ไปท่องให้จนเป็นเล่มเป็นเป็นตู้ประโยคหนึ่งราเธอท่านทั้งหลายจะวางตามได้ในประโยคนั้นก็ให้ไปแค่ประโยคนั้นน่ะไม่ได้ให้ไปเป็นเล่มหรอกหรือให้แบกเป็นตู้หรอกไอ้ที่เป็นตู้เป็นเล่มนี่เขาเรียกมันสนองตัญหาความอยากของแต่ละคนโลภมากทางปัญญา แล้วก็มีคําถามว่าถ้าไม่ใช่ปัญญาจะหลุดพ้นได้ยังไงแล้วก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วที่มันใช้ปัญญาอยู่แล้วมันหลุดพ้นหรือยังที่มันแบกตําราอยู่เนี่ยมันหอบปัญญากันอยู่เนี่ยรู้มากรู้น้อยถามมันหลุดพ้นหรือยังให้ถามกลับไปหน่อยถ้ามันไม่ยอมวางเสื้ซึ่งปัญญาเองแล้วมันจะหลุดพ้นได้ยังไแต่นั้นไม่ว่าสติสมาธิฌานญาปัญญาก็สรุปตัวมันเองลงสู่การวางในตัวมันเองนั่นแหละไม่ใช่เอาตัวมันเองไปวางอะไร ก็าวางตัวมันเองนั้นเองลูกแล้วจบทันทีรู้ก็วางในรู้เองแล้วก็จบในรู้เลยอย่างนี้เป็นต้นเห็นก็วางในเห็นเองเลยก็จบในเห็นเองเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่ามัวแต่เห็นไปไปเห็นหนึ่งพ่อนกันในเห็นเองวางกันในเห็นเองปล่อยกันด้เห็นเองเลยก็จบในทิฏฐินี่เลยไม่ใช่เอาเห็นนี่ไปเห็นไปไปเห็นอะไรและไปวางอะไร ไม่ใช่เอารู้เนี่ยไปรู้อะไรแล้วไปวางอะไรที่วางตัวรู้เองเลยมันก็จบในตัวรู้เองเลยอย่างนี้เรียกว่าฉับพันถามว่าแล้วจะวางตัวมันเองได้อย่างไรก็อย่าไปเจริญมันเลยที่มันเกิดเองเป็นเองอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวเหมือนก็สายลมเหมือนก็บธาตุตามธรรมชาติที่มันปรากฏเองเป็นเองไม่จัดว่าเป็นกิเลส ไม่จดัดว่าเป็นโมหะรู้ที่มันมีอยู่เองแล้วโดยที่ปราจากเจตนาซ้อนรู้มันไม่เป็นกิเลสในรู้ <c oughs> เรียกว่าเป็นธาตุธรรมดาตามธรรมชาติหมดจดได้ตัวมันเองอยู่แล้วแต่เมื่อลูกซ้อนเจตนาลงไปในรู้รู้มีความหมายทันทีรู้มีตัณหากํากับรู้มีอุปทานกํากับในการรู้ รูนี้ก็จะถูกนำพาไปสู่การสัมผัสและผัสสะผูกพันในสประสิ่งต่อไปอีกเมื่อมันวางตัวมันเองไม่เป็นและความเข้าใจผิดทำให้ก่อเกิดความบันปลายที่จะไปวางภายนอกต่อไปอีกคิดว่าเหตุมันก็คือเกิดที่ภายนอกรูปเป็นเหตุเสียงเป็นเหตุเสียงยังมีรูปยังมีทำไมตาไม่มีบ้างละ่ะ หูไม่มีบ้างหรือใจไม่มีบ้างล่ะถ้าอย่างนี้ต้นเหตุไม่มีปฐมเหตุไม่มีอันนี้ก็พากันแต่ไปห้ามภายนอกทั้งหมดทําไมไม่ห้ามในตัวห้ามเองเมือนกับโมแต่ไปรู้ข้างนอกอ่ะแล้วจะไปจัดการกับข้างนอกทําไมไม่ดับตัวรู้เองนี่เรียกว่าจบที่สมุ ท, ทยัยต้นเหตุ แต่นั่นจะให้มันฉับพลันแล้วลูกจะอิงตัณหาอิงความปรารถนาแล้วอิงความพยายามแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้จะให้รู้มันวางตัวรู้เองเห็นมันวางในตัวแห่งเองแล้วจิตมันวางในจิตเองเนี่ยลูกจะอิงความพยายามแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้เพื่อวางนี้รู้ไหมเมื่ออิงความพยายามแม้เพียงเล็กน้อยมันก็จะดิ้นหลนทันทีมันจะไม่ใช่การวางในตัวมันเองเลยซึ่งรู้นี้หรือว่าเห็นนี้ดังนั้น มันจึงไม่เนื่องด้วยความเพียรใดๆนั่นแหละจึงจะฉับพันตรงต่อ ว, วางอยู่แล้วตรงต่อนิพานอยู่แล้วทันทีที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลย ว, ว่ากําลังเจริญสมุทัยซ้อนทำอยู่เจริญตัณหาซ้อนทำเจริญตัณหาซ้อนความเปลี่ยนไม่เคยเฉลียวมันก็เลยไม่จบสักทีตายแล้วยังไม่จบเลย ที่วางตัวมันเองไม่ใช่หอบเอาตัวมันเองไปวางอะไรรู้ก็วางรู้เองไม่ใช่เอารู้ไปวางสิ่งถูกรู้แต่นั้นโดยที่ให้อาไ้นี้โดยที่ไม่ต้องไม่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ตั้งซ้อนดูซอรู้ซ้อนเห็นเนี่ยมันก็จะวางตัวรู้เองวางตัวเห็นเองซึ่งเป็นต้นเหตุของวัตะทั้งหมดเรียกว่าโยนีโยนิแดนเกิดของวัตะเลยกามก็เกิดตั้งแต่รู้นี่แหละ เรียกววิญญาณขันจะไล่ไปขันสองขันสามขันสี่ขันห้าอะไมันก็เริ่มเนี่ขันหนึ่งก่อนไอ้วิญญาณขันเนี่ยตัวรู้เนี่ยพอตั้งซอรู้แล้วมันก็ลากไปเรื่อยๆนะคิดปรุงแต่งนั่นนี่พวกบนสับสนไปเป็นหางเลยแต่นั้นอย่าให้มันเป็นโมคะในการห่มผ้าเหลืองห่ผมผ้าขาวลูกกนหัวกอนผม ย่ามเป็นโมฆะในเนื้อหาสัจธรรมมันเป็นปรมตทิที่ได้ปดํำหลัดตัดเอาไว้ประทานไว้ให้จะกี่พุทธนอรก็ตามทีเหมือนกันหมดเป็นเนื้อหาปรมัทิตย์พระจักเหมือนกันหมดเป็นเรื่องของการสรุปจบตรงที่วางตงัวมันเองเหมือนกันหมดไม่ว่าพุทธนอนไหนประกาศสัจธรรมเหมือนกันหมดองค์พุทธเถ้าทุกองค์อย่าให้เป็นโมฆะเมื่อได้ฟังตรงๆก็ตร ง, ตร ง, ตร ง, ตรงให้ตรงเลย ไม่ใช่ไปพยายามอยู่ถ้าไปพยายามอยู่แล้วมันจะวางตงัวมันเองยังไงพอพยายามขณะใดมันเริ่มดิ้นในขณะนั้นแล้วขันหนึ่งขันสองเลยแต่หน้าที่เรียนมาเยอะวางไม่เป็นก็เป็นโมฆะหมดอ่ะแถมเป็นพิษด้วยมาวอกวนกันอยู่ในเบญจขันไม่รู้จะจบจากสิน้นแล้วไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนด้วยเพราะไม่เคยวาง มีแต่สอนให้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้รแล้วไม่รู้จะวางมันยังไงวางตรงนั้นตรงนี้เกิดวางตรงนี้ตรงโน้นเกิดก็มันไม่ได้วางตัวรู้เองดันมันไปหาวางสิ่งที่ถูกรู้แต่นั้นโดยที่วางอยู่แล้วของรู้เนี่ยก็โดยที่ไม่ต้องไม่ตั้งซ้อนโดยที่ไม่เจตนานซ้อนนี่แหละเริ่มผ่อนในตัวมันเองเริ่มปล่อยในตัวมันเองไม่ต้องไปเจริญไม่ต้องไปซ้อน จะรู้ไม่รู้นี่ตัดทิ้งไปเลยอย่าให้เป็นปัญหาลากไปสู่จุดนั้นรู้ไม่รู้รู้ไม่รู้เนี่ยบโแต่รู้ไม่รู้รู้ไม่รู้อยู่มันก็ไม่วางทุกทีน่ะปัญหาลากอยู่เงี้ยปล่อยเลยลูกไม่ต้องเอารู้ไม่รู้กันแล้วปล่อยให้พัฒตลอดในวิญญาณขันเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่ค้นหากันหรอกมันไม่ได้ยุ่งอย่างที่พยายามกันหรอก เอาลูกไปหลงเอาตัณหาไปเจริญธรรมอะมันเลยยุ่งเลยยากไปหมดเอาตัณหาไปเจริญรู้เจริญเห็นไปติดแต่ตัวคอยเข้าใจตัวปัญญาโดยเชิงตัณหาเนี่ยเลยไม่จบสักทีไม่ใช่ไปรู้อะไรแล้ววางอะไรที่ถูกรู้วางตัวรู้เองก็ยอมปล่อยแหละไม่ต้องไปแบบไหนซ้อนลงไปกับมันไม่ต้องไปคออย่างไรซ้อนลงไปกับการเห็นการรู้ ไม่ต้องไปคอยย้ำรู้ยามเห็นเท่านั้นแหละลูกมันก็คลายเองไอ้ตันหามันซ้อนๆมันก็คลายออกเองมันจะตัดไปหมดแหละในขันทั้งห้าเนี่ยมันจะไม่มีโมหะครอบงําสัญญงสัญญาอะไรมันก็ตัดไปหมดอ่ะความนึคิดปรุงแต่งรำลึกมันตัดไปหมดอะเริ่มตัดตัวรู้วางตัวรู้เองแล้วตอนนี้มันก็ไม่ปฏิปติประตอเป็นสัญญงสัญญาเป็นเรื่องเป็นราเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตะอวิชชาสังขาร เวทนามันก็ถอยถดหดหายไปเองเพราะเวทนาทั้งหลายก็มีผลมาจากการที่มันย้ำรู้ย้ำเห็นย้ำสัญญาย้ำนึกย้ำคิดจนก่อเกิดเวทนาในตัวมันเองขึ้นมาแขวงไว้เรื่อยๆเอยขยันคอยรู้ขยันคอยเห็นมันก็แกววงไว้เรื่อยๆแขวงไว้ไหนแขวงไว้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสพสิ่งสรรพธาตุรู ป, ประธรรมทั้งหลาย รูปธรรมทั้งหลายไม่ใช่รูปกายอย่างเดียวมันหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกทั้งหมดแกลงไปเลยนั่นแหละเรือว่าไปกระทบไปเกาะไปเกาะไปกระทบไปได้ไปเสียไปมีไปเป็ น, ปปนกับสิ่นก้านสาขาอะไรต้นเหตุก็ไปจากไอตัวหลงรู้ย้ำรู้นี่แหละลูกแต่นั้นาพูดถึงการวางตัวมันเองแล้วลูกจะไปตั้งอะไรซ้อนลงไปสักนิดนึงก็ไม่ได้เลย ยอมปล่อยจริงๆจะไปอะไรเพื่ออะไรส่งนิดหนึ่งก็ไม่ได้เลยเรียกว่ายอมวางตัญหาในตัวมันเองความริรลนน่ะเรียกว่าตัญหาทั้งนั้นแหละนั่นแหละทั้งหมดของเนื้อหาแห่งพุทธะพระนิพพานทั้งหลายอรหันตัตนิพพานทั้งหลายไม่ใช่ข้างหน้า ไม่รู้ว่าเพียรมาจะมากมายก็ต้องมาจบด้วยการยอมวางในตัวมันเองแล้วจะเพียรไปทำไมอีกทั้งหน้าทำไมทั้งหน้าทาไมอีกล่ะไม่ต้องไปกลัวมาแล้วปิโตกมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายนะลงเลยลูกทุกอย่างคือวางเลยมันจะได้สมกับสถานะของนักบวชหน่อย มันใช้ความพยายามไม่ได้ลูกยิ่งใช้ความพยายามยิ่งดิ้นจิตเนี่ยจึงบอกว่าไม่ต้องไะลูกแล้วมันจะดับให้ลูกเองมันจะดับเองมันจะจบให้เองเลยเห็นมันวุ่นวายเห็นมันระสรัมภาระพยายามไม่หยุดนี่ยิ่งพยายามยิ่งวุ่นใหญ่ พราะความพยายามมันเป็นปัญหาชนิดหนึ่งตัญหาที่มาในรูปแบบของความพยายามมันจะไม่สามารถวางตัวมันเองแต่ให้วางความพยายามเองพอไม่ซ้อนความพยายามลงไปในธาตุในจิตมันก็เรียกว่าวางของมันเอง คลายของมันเองลูกวิมุติของมันเอ ง, ว, อ ง, เองวางแบบไม่ใช่เราใคอยวางเลยนะวางของมันเองไม่ใช่ตัวตนเป็นผู้ไปวางอันนี้เรียกวางอยู่แล้วไม่มีตัวตนเป็นผู้วางเหมือนก็ว่าทุกสิ่งอย่างคืออนัตตาอยู่แล้วไงลูก วางก็เช่นเดียวกันมันเอาตัวเองไปวางไม่ได้ถ้ามันเอาตัวเองไปวางแล้วมันกลายเป็นอัตตาซ้อนทันทีนั่นเรียกว่าความสาคัญตนนั่นเองแต่นั้นปรมาาัตตรัสจะนี้เมื่อลูกได้สดับทุกครั้งก็จะค่อยๆดับตามทุกครั้งแบบชับพลัน อะไรสิ่งไหนที่ยังเป็นกรรมที่ปิดบังอยู่หรือกว่าลูกยังไม่สามารถจะดับตามฉับพันยุติจบตามฉับพันได้กรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกรรมประเภทไหนก็ตามทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมที่ประมาทปลามาดในสิ่งที่เป็นมหาบา ร, รมีทั้งหลายคนทั้งหลายทั้งปวงแห่งองค์พุทธะมหาพุทธะมหาโพธิสัตว์อริยเจา้าอริสงอรหันต์ทั้งหลายปัจเจกพุทธะทั้งหลาย จะทำทั้งหลายที่เคยวิตกวิจัยวิจาาณ์เคยบริภาศเคยลังเลเคยสงสยัยและเคยเพิกเฉยมันเฉยตลอดจนถึงกรรมมันตกต่ำกรรมมันหยาบที่เกิดขึ้นจากการหมกมุ่นกับการเป็นการอยู่การทำหน้าที่การปกครองภาระต่างๆนานประการที่อุปโลกขึ้นมาอยู่อุปโลกกันขึ้นมายึดทั้งหมดสิ้นจะเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ตามที่ผ่านมากี่การกี่กาปีพุทธันดร บาาบารมีทรงเป็นประธานกรรมทั้งหลายทั้งปวงของทุกหมู่ทุกเหล่าอโหสีอโหสีอโหสี